ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะจึงไม่ควรเป็นอย่างนั้นควรรู้ตัวคนเราทำอะไรไปพูดอะไรไปขาดสติ ส, ตสัมปจนยะแล้วมันมันไม่ใช่ไม่ได้เลยตนพูดผิดอยู่ก็ไม่รู้ตัวตนตกเป็นธาสของกิเลสความโลภของโกรธอยู่ ก็ไม่รู้ตัวไอ้อย่างนี้นะมันร้ายกาจมากจะให้คนอื่นสอนสอนมันก็รู้ตัวตื่นตัวได้แต่เวลาเพื่อนสอนทันเมื่อไปไปแล้วตนไม่สำรวมจิตไม่ทำจิตให้สงบเช่นนี้กิเลสมันก็ ครอบงามจิตเข้าไปอยู่ย่างนั้นแหละเนี่ยแสดงอะไรออกทางกายวาจาก็เป็นแต่ความชั่วความดีไม่ค่อยมีอย่างนั้นมันมันสอถึงดวงใจนนใจมันชั่วใจ ม, มันมัวหมองเหตุนั้นมันถึงได้สแสดงความชั่วออกทางกาย ทังวาจานี่เราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัว ừ. เมื่อตนพลั้งเผลอไปแสดงความชั่วออกไปแล้วก็รู้ตัวเออนี่เราเผลอแล้วนี่อย่างนี้แล้วถ้าตนไปได้ไปร่วงเกินผู้อื่นเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแล้วรู้ตัวภายหลังก็ขอโทษเพื่อนอืม ท่านผู้ที่หวังความบริสุทธิ์แก่ตัวเองเก็เมื่อผู้อื่นเขาไม่ได้ทําอะไรให้ตนแล้วตนไม่ชอบใจกับผู้ใดแล้วก็อยกโทษผู้ผู้นั้นเข้าไปอย่างนี้นะถ้าไม่ขอโทษเพื่อนแล้วก็เป็นบาปแล้วเพราะเพื่อนไม่ได้ทําอะไรให้แก่ตนนี่ ตนเกลียดทางเพื่อนไม่ชอบใจแล้วก็หาเรื่องกระทบกระทั่งเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่วันไหวแล้วตัวก็เป็นบาปเพราะฉะนั้นในตำราท่านจึงกล่าวไว้ว่าผู้ใดไปยกโทษติเตียนพระอระหันเนี่ยจึงเป็นบาปหนัก น, นเนี่ยเพราะว่าท่านไม่มีกิเลสอันใด ที่จะให้ยกโทษตีเตียนแล้วนะแต่คนก็ยังไปยกโทษตีเตียนท่านอยู่เงี้ยมันถึงได้เป็นบาปมากนะแต่คนที่ยังมีกิเลสอยู่นี่ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่ถูกต้องไม่ดีอย่างนี้ไปติเตียนนี่มันก็ไม่เป็นโทษเท่าไหร่นักอย่างนี้แหละเพราะว่ามันเป็นความจริง ผู้นั้นได้ทําชั่วพูดชั่วอย่างนั้นจริงเชนี่ไปตําหนิติเตียนนั้นก็ไม่ไม่บาปเพราะมันเป็นความจริงแต่ถ้าเพื่อนไม่ได้ทําชั่วพูดชั่วอย่างว่านั้นแล้วเนี่ยไปยกโทษติเตียนอย่างนี้มันก็เป็นบาปแล้วอืดังนั้นผู้ใดได้พลาดพังไปร่วงเกินเพื่อน เข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งเราขอโทษ เ, เพื่อนเพื่อนอาโหสิกรรมให้แล้วบาปนั้นเพื่ค่อยหมดไปอืมันต้องเข้าใจอย่างนี้คนเรานะก็เมื่อตนไปเที่ยวยกโทษปีเตียนแบบผู้อื่นให้เจ็บใจให้เป็นทุกข์ใจอย่างนั้นแล้วกรรมนั่นมันก็ตามสนอง เมื่อตนเกิดไปชาติใดพบใดก็จะไปเจอแต่เรื่องนินทาว่าร้ายไปที่ไหนก็ไม่มีใครชื่นชมยินดีด้วยตนก็ทุกข์ใจอย่างนี้หนักใจเพราะว่าตนก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กับคนหมู่มากอาศัยคนหมู่มากเป็นอยู่แต่นั้นถ้าคนหมู่มากไม่ยินดีพอใจ แล้วอย่างนี้ตนก็อยู่ลำบากนั่นแหละกรรมมันสนองเอาเหมือนอย่างพระเทวทัตนั่นประพฤติเป็นคนดุร้ายแม้แต่พระศาสดาผู้มีพระคุณต่อตนอย่างประเสริฐแท้ก็ยังไปคิดทำร้าย ดังนั้นทางคดสงจึงไม่ชื่นชมยินดีกับความเป็นอยู่ของพระเทวทัตเลยเรียกว่าไม่อนุโมทนากันแล้วกันเนี่ยพระเทวทัตก็ดือร้อนเอาไปเอามาก็มันใจมันร้อนหลายมันก็ไปคิดทำบาปใหญ่โตขึ้นไปคิดฆ่าพระศาสดา คิดทำลายสงให้แตกจากกัน ต, ต่างๆนานาเข้าไปมันก็เรียกว่าทำคารุกรรมทำกรรมมันหนักนะกรรมนั้นมันหนักมากแผ่นดินก็ทรงไว้ไม่ได้ก็จึงแยกออกจากกันแล้วก็สูบเอาพระเทวทัตไปไหมอยู่ในอเวจีมหานรก แต่ว่าก็ยังดีอยู่หน่อยหนึ่งเมื่อแผ่นดินสูบลงไปอยู่ทั้งแค่คอก็ไปนึกถึงคุณของพระศาสด า, า, าได้แล้วก็ได้กล่าวคำถวายกระดูกคังอันนั้นบูชาพระศาสด า, ศ า, ศานั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อพ้นจากอเวจีมานรก มาแล้วก็จะได้มาตัดสู้เป็นพระปเจกพับพุทธเจ้าแล้วกระดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปกลัวพระเทวทัตจะดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก็ได้สเสวยทุกทนทรมานอยู่ในโลกสันนิวัตอันนี้ันานานับชาติไม่ทวนเลยเกิดมาชาติใดก็ มาพบผู้เวรคือพระศาสดาแล้วนี่ก็เอาละไปสร้างเวรกับพระองค์พระองค์ไม่วันไว้พระเทวทัตก็เป็นผู้พ่ายแพ้ฝ่ายเดียวเมื่อพระเทวทัตทำร้ายพระองค์พระองค์ไม่ตอบบาปกรรมนั้นก็ตกแก่พระเทวทัตฝ่ายเดียวดังนั้นพระเทวทัตจึง พอตายลงไปแล้วก็ไปสู่นรกตรงนี้พระเทะทัตเนี่ยเอานรกนั้นละเป็นเรือนนอนพอพ้นจากนรกมาเอ้ามาเกิดเป็นคนเข้าไปาไปทำบาปหนักเข้าไปอีกตายแล้วผันลงนรกอีกโย่อย่างนั้ น, น่งชีวิตของพระเทะทัต น, นี่นะบางชัติก็คงได้ทำบุญกุศลมา เหตุดังนั้นบุญกุศลก็จึงได้แก่กล้าเนี่ยจึงได้ดับขันเข้าสู่พันนี้ผานไปแต่ว่าก็อย่างว่านั้นเนี่ยคนสร้างบุญกุศลแบบนี้มันเจืออยู่ด้วยบาปอมืมันก็ได้ส่วยทุกนันแหละมากม า, กายกายกองมันเป็นอย่างั้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเพื่อนจะ ไม่สร้างบุญบารมีแบบนั้นสร้างบุญบารมีแบบที่เจริญเมตตากรุณาแพนความคิดความรู้สึกนึงคิดของตนในทางที่ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายเป็นถูกทั่วหน้ากันอยู่เลยไปเราทำคุณงามความดีอะไร ไม่ใช่จะเพื่อเฉพาะตัวผู้เดียวทำเพื่อแพ่แก่คนอื่นด้วยผู้ใดตั้งอกตั้งใจลงไปอย่างนั้นนะผู้นั้นการท่องเที่ยวไปในสงสารมันก็ไม่เป็นทุกข์มากบางทีก็เลยไม่ต้องได้ไปสู่นรกเลยตายจากมนุษย์ก็ขึ้นสู่สวรรค์ พราะเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมมมีเวรติดตัวเรื่องมันนะหมดอายุบนสวรรค์ก็กลับมาเกิดในโลกนี้แล้วก็มาสร้างบุญบา ร, รมีไปคนไม่มีกรรมไม่มีเวรติดตัวมันก็มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลมากถ้าคนมีเวรนะเนี่ยอ้าเกิดมาพอดี มาสร้างบุญสร้างกุศลไปกําเวนหนหลังนุนตามมาสนองเอาก็ทำให้ชีวิตนี่มีอันเป็นไปไม่มีโอกาสจะได้สร้างบุญบารมีต่อไปเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันถึงนานพ้นทุกข์ได้บุคคลผู้ที่รู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงนะ่ะพูดสั้นๆว่า ดีก็ทำชั่วก็ทำนั่นแหละมันถึงนานทนทุกข์ทนภัยในสงสารอันนี้ไปผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วควรจะเบื่อหน่ายในความชั่วต่างๆหมู่นั้นแล้วคิดสร้างเอาแต่บุญกุศลคุณความดีเฟือใจของตนให้น้อมไปในทางดีเสมอ น้อมใจไปในทางที่ไม่โลภอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนน้อมใจไปในทางเมตตากรุณาไม่โกรธไม่อาฆาตไม่จองเวรคนอื่นอืน้อมใจไปปรารถนาให้ตนและผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นถุขทั่วหน้ากัน น้อมใจไปในความรู้ความฉลาดความรู้ยิ่งความเห็นจริงน้อมใจไปในความรู้เท่าทุกตามเป็นจริงอย่างไรน้อมใจไปเพื่อละเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาให้มันหมดไปสิ้นไปจา ก, กจิตใจนี้น้อมใจลงสู่ความไม่มีทุกข์ น้อมใจไปในข้อวัตปฏิบัติคือสินสมาธิปัญญาหรือว่าทานสินภาวนาของผู้ครองเลือนเมื่อน้อมใจไปในข้อวัตปฏิบัติน้อมใจไปเพื่อรู้ธรรมของกิงเหล่านี้อยู่เสมอแล้วผู้นั้นแล้ก็จิตใจก็ไม่ได้หันเหนไปทางชั่ว ทางบามเพราะว่าความดีกับความชั่วเนี่ยเหมือนกับมืดกับแจ้งนี่เองเนี่ยถ้าหากว่าเรามีแสงสว่างอยู่ในใจใจก็ไม่มืดมเหมือนอย่างภายนอ ก, ก น, นั่นีอยถ้ามันมืดมาเอาก็เปิดไฟฟ้าขึ้น แสงสว่างไฟฟ้าก็ขจัดความมืดออกไปอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อใจมันหลงมันเมาแล้วก็มันสะดับตรับฟังคำสองอุเทเจ้าเข้าไปมันก็รู้ขึ้นมาแล้วก็มันพยายามภาวนา ทำใจให้สงบลงอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเช่นนี้แล้วความหลงต่างๆมันก็หายไปมันก็เบาบางไปถ้าไม่หมดไปจริงๆก็ดีมันก็รู้ตัวได้แบบนี้นะรู้ว่าความโลภโกรธหลงอันนี้มันควรละเอาทแท้ๆไม่ควรสร้างมันให้เกิดหทมีขึ้นในใจ ทำใจของทนให้เป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่มัวเมาไปตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาต่างๆอย่างนี้เป็นหน้าที่ของเราจะต้องภาคเพียนพยายามทำถ้าไม่ภาคเพียนอย่างนี้ก็พ้นทุกไปไม่ได้ดังแสดงมา